ประเภทนี้พระเปือเอ้อนศาสนาเดี๋ยวว่าทําสงให้แตกแยกจัดประเภทสังฆเพศต่างหากถ้าพระประเภทนี้ระวังนะพวกท่านทั้งหลาย อ, อประเภทอย่างนี้นะคือประเภทที่ตกนรกในง่ายๆเดี๋ยวว่าสังฆเพศดุโ ย, ยงสงให้แตกกันคําว่าสงคำนี้ไม่ใช่ว่าสงสีรูปนะองค์สององก็ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นต้องระวังเข้ามาต้องระวังในคําพูด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 เราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆคือนที่นั้นๆคือบริเวณเพราะนั้นต้องทําความสะอาดนะเวลาเราจะลุกขึ้นจากที่นั่งทุกองค์จะไม่เป็นภาระของพระเวรท่าว่าพวกเราตังลุกขึ้นมาแล้วไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะเก็บอาสนะของตนเองไม่รู้จะเก็บทําความสะอาดที่นั่งของตนเองพระ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 อ่ที่ออกมาบวชมาถึงพวกเราเราก็ได้บวชบวชอยู่อย่างนี้เราทุกจนอะไรมีแต่ทุกจนมันไม่ไม่อิจระเหมือนกับกิเลสแต่กนเก่าเราอยากจะทาอะไรเราก็ทำได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่บัดนี้มันผิดธรรมวินยัยมีธรรมวินัยเป็นเครื่องครอบงำเป็นเครื่องพาดําเนินเพราะนันการที่จะทําให้ผิดธรรมวินยัยไม่ได้อันนี้ตรง